ถึงสามหมื่นปีลงไปจับปากนรกลงไปแล้วก็เฟื่อนขึ้นมาอีกสามหมื่นปีเฮ้ยพอโผเห็นหน้ากันหมดถูสาณาโอกก็หม like ุนลงไปอีกะเองนี่แหละโยมก็ตกนรกเป็นเหมือนกันนะไม่ใช่เถอแต่พระนะเพราะฉะนั้นะพวกเราให้สำรวมระวังเอทั้งพระทั้งโยมนั่นแ่ะตกนรกได้ทั้งทั้งนั้นอ่ะแหม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 ที่ที่ทำมาอีกข้าพเจ้าจะทําแต่คุณงามความดีเท่านั้นอแต่มันพูดอธิบายไม่ได้ก็เลยต่างคนก็ต่างพูดข้าพเจ้ า, เ, าเกิดมาพบหน้าคนที่สองนะจะไม่ทําความช่วยอีกอคนที่สี่ข้าพเจ้าจะพวกข้าพเจ้าจะทําแต่ความดีเท่านั้นอแต่กล่าวด้วยคนละคํำนะอมันก็นรกมันหมุนขึ้นมากล้วก็หมุนแล้วลงไปอีกในพื้นนรกอีกนะ นี่แหละเลื่อก่าวได้คนละคำหมดทุาณะนะโสนะนี่แหละโยมตกนรกนะคณะสัทายาตโยมลูกหลานหาตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุมูธนาให้พรรับพรณัตินีเนาะ